ทรงประชุมสงบัญญัติศคขาบทลา ด, ดับนั้นถ้าผู้มีพระภาครับสัง่งให้ประชุมสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุนั้นว่าภิกษุทราบว่าเธอเก็บรัตนะไว้จริงหรือภิกษุนั้นทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตําหนีว่าโมฆาบุรุษฉนันใดเธอจึงเก็บรัตนะไว้เล่าโมฆาบุรุษ